วิธีเจริญสมาธิอย่างที่สี่การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนคำว่าการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนในที่นี้หมายถึงวิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิอย่างที่ได้ปฏิบัติสืบๆกันมาในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาตตามที่ท่านนำลงเขียนอธิบายไว้ในคำภีชั้นอัตถกถาเฉพาะอย่างยิ่งคมภีวิสุทธิมัก เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงอาจังเป็นงานเป็นการโดยมุ่งฝึกเฉพาะแต่สมาธิแท้ๆภายในขอบเขตที่เป็นระดับโลกีทั้งหมดสมาธิที่เป็นโลกุตระได้แก่สมาธิที่ประกอบด้วยอริยมรรตหรือมักคะสมาธิวิธีเจริญโลกุตระสมาธินั้นรวมอยู่ด้วยในตัวกับการเจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญาก็เป็นอันเจริญมัคคะสมาธินั้นไปด้วย การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนในที่นี้จึงหมายถึงวิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิภายในขอบเขตที่เป็นระดับโลกีทั้งหมดซึ่งกำหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบมีขั้นตอนที่ดำเนินไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่การตระเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนฝึกวิธีเจริญกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างและความก้าวหน้าในการฝึกจนได้รับผลในขั้นต่างๆ ต, ตลอดถึงฌานสมาบัตและ โลกิยาอภิญยาทั้งหลายวิธีเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนนั้นสรุปความตามที่ท่านแสดงไว้เป็นลำดับขั้นตอนใหญ่ได้คือเบื้องแรกเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีหรือชำระศีลให้หมดจดแล้ว 1. ตัดปริพภ o คือข้อติดข้องหรือเหตุกังวล10ประการ 2. เข้าหากัลยาณมิตร คือครูอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะให้กรรมฐาน 3. รับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างที่เหมาะกับจริยาของตน 4. เข้าประจำที่โดยแบ่งเป็นสองข้อย่อยคือกอเข้าอยู่ในวัดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติซึ่งเหมาะแก่การเจริญสมาธิขอตัดปฏิโพ์ คือข้อกังวลเล็กๆใน้อยเสียให้หมด 5. สมาธิภาวนาคือปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิรายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวข้อเหล่านี้ท่านกล่าวไว้สำหรับพระภิกษุผู้จะทำการฝึกอย่างจริงจังอาจเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีถ้าคระหัตจะปฏิบัติหรือผู้ใดจะฝึกระยะสั้นๆก็พึงจับเอาสาระมาใช้เท่าที่เหมาะ